การเข้าวัดการเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเหมือนกับการเอาเสื้อผ้าไปซักฟอกในเครื่องซักผ้าเพราะพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของสัารโลกให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นเอง จิตใจที่ได้รับการซักพอกให้สะอาดบริสุทธิ์จะเป็นจิตใจที่ปราศจากความทุกข์จิตใจที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเหมือนกับเสื้อผ้าที่ได้รับการซักพอกโดยเครื่องซักผ้าเมื่อซักเสร็จแล้วเสื้อผ้าก็จะสะอาดขาวสะอาดบริสุทธิ์น่าสวมใส่ ไม่เหมือนกับเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้รับการซักฟอกจะเป็นเสื้อผ้าที่ไม่น่าสวมใส่เวลาอาบน้ําเสร็จนี้จะไม่อยากใส่เสื้อผ้าที่สกปรกอาบน้ําเสร็จแล้วมักจะหาเสื้อผ้าที่สะอาดใสเพราะเสื้อผ้าสโปรกใส่แล้วจะรู้สึกไม่สะอาดรู้สึกไม่สบาย แต่ถ้าได้ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดอาบน้ําร่างกายสะอาดแล้วได้ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดก็จะเกิดความรู้สึกสบายรู้สึกสะอาดไปทั่วตัวนี่คือจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราจิตใจของพวกเราตอนนี้ยังมีคราบสุกโปกต่างๆครอบงําจิตใจ หรือซ่อนอยู่ภายในจิตใจทราบคาบสกปรกของจิตใจนี้เราเรียกว่ากิเลสตัณหาอาสวะโมหะอวิชชาเป็นคาบชนิดต่างๆที่สร้างความเศร้าหมองให้แก่จิตใจสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจสร้างความวิตกกังวลห่วงใหญ่ สร้างความหิวโหยสร้างความหวาดกลัวต่างๆให้แก่จิตใจที่ทำให้จิตใจของสัตว์โลกนี่อยู่ไม่เป็นสุขกันต้องดิ้นรนคอยกำจัดความทุกข์ต่างๆอยู่เรื่อยๆต้องดิ้นรนหาความสุขต่างๆอยู่เรื่อยๆแต่ดิ้นรนอย่างไรหนีจากความทุกข์ กำจัดความทุกข์ต่างๆได้อย่างไรหาความสุขต่างๆได้อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะหาได้อย่างถาวรความสุขต่างๆที่พยายามหากันก็เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวความทุกข์ต่างๆที่ได้กำจัดก็เป็นความทุกข์ที่ได้ถูกกำจัดไว้เพียงชั่วคราว ดี๋ยวไม่นานความทุกข์ที่ได้ถูกกําจัดก็จะกลับเฟื่องขึ้นมาใหม่ความสุขที่หามาได้ไม่นานก็จะหายไปใหม่เพราะไม่รู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจและสร้างความสุขที่แท้จริงให้ปรากฏขึ้นมาในใจ ถ้าไม่ได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้จะต้องดด้นลนคอยกำจัดความทุกข์อยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจะต้องดด้นลนคอยหาความสุขคอยหาความสุขต่างๆอยู่ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดเพราะสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ ไม่มีปัญญาความรู้ความฉลาดไม่มีสัมมาทิฏฐิที่จะมาแก้บิชาทิฏฐิคือโมหะอาวิชชาที่เป็นตัวการสั่งให้กิเลสตัณหาโมต่างๆไปหาความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าความสุขต่างๆที่ไปหานั้น จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อไปนั่นเองแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดีได้พบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีได้พบกับพระอริยสงสาวุคของพระพุทธเจ้าก็ดีเราก็จะได้รู้จักวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมด สิ้นไปจากใจได้อย่างราบคาบสามารถหาความสุขหรือสร้างความสุขที่จะอยู่กับใจไปได้อย่างตลอดนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้เข้ามาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งคำสอนก็ดี หรือพระอริยสงสารุกระดีเราจะได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องที่จะมากําจัดมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องตอนนี้ในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายนี้จะมีมิจฉาทิฏฐิครอบงำจิตใจมิจฉาทิฏฐิที่จะทําให้ไปหา ความทุกข์ต่างๆเข้ามาสู่ใจด้วยความหลงที่ไปเห็นว่าเป็นความสุขแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้มีสัมมาทิฏฐิเราจะได้รู้ว่าวิธีที่เราจะกำจัดความทุกข์ ให้มันหมดสิ้นไปอย่างราบคาบนี้ทำอย่างไรวิธีที่จะทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงที่ถาวรให้ปรากฏขึ้นมาสู่ใจของเหล่านี้เป็นอย่างไรพระพุทธศาสนานี้มาแก้ความหลงที่มีอยู่ในใจของพวกเรามาแก้าอาวิชาความโง่องของจิตใจของพวกเรา ที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นความสุขที่แท้จริงอะไรเป็นความทุกข์จิตใจของพวกเรามีความหลงมีโมหะอวิชชาครอบงมจิตใจทำให้เห็นผิดเป็นชอบไปเห็นกรงจักเป็นดอกบัวเห็นทุกข์เป็นสุขอันนี้แต่พอมาได้พบกับพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจะสอนว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขอะไรเป็นสิ่งที่เป็นจริงอะไรเป็นสิ่งที่ไม่จริงถ้ามีมิจฉาทิฏฐินี้จะเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าสิ่งที่มีไม่มีเช่นเห็นว่าบุญไม่มีผลที่เกิดจากการทำบุญคือสวรรค์ไม่มี บาปไม่มีผลที่เกิดจากการทำบาปไม่มีคือทำบุญหรือทำบาปจะไม่มีผลตามมาคือจะไม่มีการไปเกิดในสวรรค์จะไม่มีการไปเกิดในอบายตายแล้วคิดว่าศูนย์ไม่มีการไปเกิดต่อไม่มีการกลับมาเกิดใหม่ อันนี้เป็นความเห็นผิดเป็นชอบเป็นความหลงไม่เห็นตรงกับความเป็นจริงเพราะผู้ที่เห็นมีมิจฉามิจฐินี้ไม่เห็นตัวที่ไปเกิดนั่นเองไม่เห็นตัวที่ไปรับผลบุญผลบาปไม่เห็นตัวที่ไปอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในอบาย แต่สำหรับพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกนี่ท่านมีตาทิพหรือมีตาในตาที่จะสามารถเห็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเห็นผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะท่านได้เปิดตาในของท่านด้วยการปฏิบัติธรรม โดยการเจริญส ม, มถะภาวนาวิปั ส, สนาภาวนาพอได้ปฏิบัติวิปั ส, สนาส ม, มถะภาวนาแล้วก็จะเห็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปผู้ที่จะไปเกิดต่อไปนี่คือความแตกต่างระหว่างพวกเรากับพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวะ ท่านมีตาในท่านมีตาในที่เปิดแต่พวกเรามีตาในที่ปิดเราจึงไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในเราเห็นเทียงแต่สิ่งที่มีอยู่ภายนอกสิ่งที่เราเห็นผ่านตาของร่างกายเมื่อเราเห็นสิ่งที่ผ่านทางตาของร่างกายเราก็จะเห็นว่าเวลาคนร่างกายตายไป ร่างกายก็จะกลับคืนสูด่ดินน้ำลมไฟไปเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานกลายเป็นเศษกระดูกไปจึงทำให้เห็นว่าตายแล้วสูญพอไม่รู้ว่าใครจะไปรับผลบุญผลบาปเองต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วพอคิดว่า ชีวิตของคนเหล่านี้มีอยู่เพียงที่ร่างกายเท่านั้นพอร่างกายตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายนี้ก็จะสิ้นสุดลงแต่สําหรับผู้ที่มีตาในที่เปิดขึ้นมาจะเห็นผู้ที่ทํากรรมทําบุญทําบาปว่าไม่ได้เป็นร่างกายผู้ที่ทําบุญทําบาปคือจิตใจ ที่คือผู้รู้สึกนึกคิดนี้เองผู้รู้สึกนึกคิดนี้เราเรียกว่าจิตใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายที่ตาของร่างกายไม่สามารถมองเห็นได้จะเห็นผู้รู้สึกนึกคิดได้นี้ต้องเปิดตาในเปิดตาของผู้รู้สึกนึกคิดนี้เองใจนี้เราเรียกว่า ผู้รู้สึกนกคิดโดยจิตแต่จิตตอนนี้ปิดตาของตนเองเลยไม่สามารถมองเห็นตนเองเห็นเพียงแต่ร่างกายแต่ไม่เห็นจิตใจเลยไม่รู้ว่ามีจิตใจที่เป็นผู้กํากับเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําบุญ ท, บทําบาปต่างๆเป็นผู้ที่รับผลบุญผลบาปที่ ได้สั่งให้ทำไปแต่ถ้ามาเปิดตาในได้ด้วยการมาฝึกสติด้วยการมานั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วตาในก็จะเปิดเผยขึ้นมาจะทำให้เห็นตัวที่สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆและจะเห็นว่าตัว ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี่เป็นผู้รับผลของการกระทำต่างๆถ้าทำบุญผู้สั่งคือจิตใจก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าสั่งให้ทำบาปผู้สั่งก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องไปรอรับรางวัลหรือรับโทษจากใครทั้งนั้น เกฎแห่งกรรมกฎของการทําบุญทําบาปนี้เป็นอัตโนมัติทําบุญแล้วจิตใจจะเกิดความสุขขึ้นมาทําบาปแล้วจิตใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่แหละคือผู้ที่กระทําบุญกระทําบาปผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปนับตั้งแต่ขณะที่ทํา ไปจนถึงหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปนี้ก็คือจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปผู้ที่ยังไม่มีดวงตาเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยผู้ที่เห็น พวกเราจึงต้องอาศัยศรัทธาเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราจะเข้าหาความจริงได้เราต้องมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธในพระอริยสงฆ์สาวกว่าท่านเป็นผู้มีตาในผู้ที่เห็นดวงจิตดวงใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่จะใบรับผลบุญผลบาป ที่ผู้ผู้คิดผู้สั่งเป็นผู้กระทำร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทาบุญกระทาบาปโดยตรงร่างกายนี้เป็นเครื่องมือของผู้กระทาบาปหรือทำบุญผู้กระทำบุญหรือกระทำบาปคือจิตใจเพราะจิตใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำบุญหรือทำบาป แล้วผู้ที่รับผลบุญผลบาปก็ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับผลบุญผลบาปก็คือจิตใจพอได้ทำบุญแล้วจิตใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาพอทำบาปแล้วจิตใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนอาวุธเช่นปืนหรือมีดเวลาที่ใจสั่งให้ร่างกายเอามีดไป ไปฆ่าผู้อื่นเอาปืนไปยิงผู้อื่นเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับจะไม่จับปืนหรือจับมีดไปเข้าคุกเข้าตารางจะขับจะจับร่างกายไปเข้าคุกเข้าตารางเพราะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นผู้กระทาโดยอาศัยมีดหรืออาศัยปืนเป็นเครื่องมือแต่ความจริงแล้วร่างกายนี้ ก็ยังเป็นเครื่องมืออีกชั้นหนึ่งผู้ที่กระทาจริงๆก็คือจิตใจผู้คิดผู้สั่งสั่งให้ร่างกายไปหามีดไปหาปืนแล้วก็ใช้มีดหรือปืนนี้ไปฆ่าผู้อื่นแต่พอได้กระทำแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นใครเป็นผู้รับผลที่เกิดจากการกระทำทันทีก็คือจิตใจนั่นเองพอได้ไปทำบาปเช่นไปฆ่าผู้อื่นแล้ว ร่างกายจะไม่มีความรู้สึกทุกข์แต่อย่างใดแต่ผู้ที่จะรู้สึกทุกข์ก็คือจิตใจนั่นเองเวลาทำบาปนั้นจิตใจจะไม่สบายหรือไม่ได้ทำบาปแต่ทำให้เกิดความเสียหายเหมือนกับทำบาปก็ยังไม่สบายใจเช่นบางท่านเวลาขับรถแล้วมีสุนัขวิ่งตัดหน้าแล้วชนสุนัขตาย อันนี้ไม่ได้เป็นการกระทำบาปนะเพราะการกระทำบาปนี้ต้องมีเจตนามีความตั้งใจถึงจะเป็นบาปแต่ก็ยังเป็นความเสียหายผู้เสียหายคือสุนัขต้องเสียชีวิตไปผู้ที่ทำให้สุนัขนั้นเสียชีวิตไปก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันทีไม่ใช่รถยนต์ที่ไปชนสุนัขที่ไม่สบายใจ ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ขับรถยนต์ให้ไปชนสุนัขตายแต่ผู้ที่ไม่สบายใจก็คือผู้ที่สั่งให้ร่างกายขับรถอีกทีหนึง่งผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนี้คือจิตใจดังนั้นจิตใจนี่แหละเป็นผู้ที่กระทําบุญกระทําบาปและเป็นผู้ที่รับผลบุญผลบาปคือความรู้สึก ปรากฏขึ้นมาในจิตใจทันทีะไม่ต้องรอให้ตายไปก่อนถึงจะรับผลบุญหรือผลบาปทําบุญแล้วใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาทันทีเราจะเรียกว่าความสุขนี้เป็นสวรรค์ก็ได้ทําบาปแล้วเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเราจะเรียกความทุกข์ใจนี้ว่าเป็นนรกเป็นอบายก็ได้ อันนี้เป็นเพียงแต่ชื่อเท่านั้นเองเรามักจะไม่พูดถึงนรกสวรรค์ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่เราจะไปพูดถึงตอนที่ร่างกายตายไปแล้วแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในใจแต่อย่างใดร่างกายอยู่หรือร่างกายตายไปความสุขความทุกข์ที่เกิดจากการทำบุญทาบาป ก็มีเท่ากันเหมือนกันแต่เราเปลี่ยนชื่อของความสุขความทุกข์หลังจากที่ร่างกายตายไปว่าเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วก็เป็นตัวเดียวกันเป็นใจที่สุขหรือเป็นใจที่ทุกข์เท่านั้นเองขณะที่ใจมีร่างกายอยู่เราก็เรียกใจว่าจิตใจ แล้วถ้ามีความสุขเราก็เรียกว่าจิตใจมีความสุขใจถ้ามีความทุกข์เราก็เรียกว่าสุขมีความทุกข์ใจแต่พอเวลาไม่มีร่างกายเราก็เปลี่ยนชื่อของความสุขใจของความทุกข์ใจไปเป็นสวรรค์ถ้าใจสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์แล้วตอนนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อของใจมาเป็นดวงวิญญาณแทน ดวงวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกจิตใจว่าดวงวิญญาณแล้วถ้าดวงวิญญาณ น, นั้นมีความสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์เราก็เรียกว่าเทวดาถ้าดวงวิญญาณมีความทุกข์เราก็เรียกว่าอบายเช่นเรียกว่าเปรตเรียกว่าอสุ ร, รากายเรียกว่านรกนี่คือ จิตใจเรื่องของจิตใจล้วนๆบุญกับบาปนี้ทำด้วยจิตใจและผลบุญผลบาปก็ติดขึ้นมาในใจปรากฏขึ้นมาในใจทันทีและจะอยู่ไปจนกว่ากำลังของบุญของบาปนั้นจะหมดไปบุญกับบาปก็เป็นเหมือนเชื้อไฟเวลาจุดเชื้อไฟแล้วไฟมันก็จะไหม้ แต่มันจะไหม้ไปจนกว่าเชื้อมันจะหมดนะพอเชื้อหมดไฟก็ดับบุญที่ทำไว้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วบุญยังมีอยู่เพราะเชื้อยังเชื้อของบุญยังไม่หมดในช่วงนั้นก็จะเป็นบุญถ้าเป็นบุญก็เป็นสวรรค์ก็จะอยู่แบบเทวดาอยู่แบบมีแต่ความสุข ก็ในช่วงที่ไม่มีร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนช่วงที่นอนหลับดีๆนี่เองเวลาคนตายกับเวลาคนหลับนี่เหมือนกันเพราะร่างกายไม่กระดุกกระดิกไม่เคลื่อนไหวไม่กระทำอะไรมีแต่ใจที่เคลื่อนไหวมีแต่ใจที่กระทำอะไรต่างๆผ่านทางความรู้สึกนึกคิดจากสิ่งที่ไปกระทำมา จะไปนึกไปคิดถึงสิ่งต่างๆที่ได้กระทำมาถ้าทำดีก็จะคิดแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่ดีในขณะที่เรานอนหลับเราก็เรียกว่าฝันดีเรื่องที่เราคิดไม่ดีเราก็เรียกว่าฝันร้ายอันนี้แหละเป็นสภาพของจิตใจในช่วงที่ไม่มีร่างกายหรือไม่ได้ใช้ร่างกายเคลื่อนไหวทําอะไร จิตใจก็จะใช้ความรู้สึกนึกคิดนี่สร้างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาให้ใจได้เสพได้สัมผัสเหมือนกับเป็นโลกของความเป็นจริงเลยเหมือนสมัยนี้เรามีคำพูดว่าโลกเสมือนจริงโลกเสมือนจริงก็คือโลกในจอของเครื่องคอมหรือในจอของเครื่องโทรศัพท์มือถือ เช่นเราเล่นเกมต่างๆนี่เราก็เหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเลยเช่นขับรถแข่งหรือขับเครื่องบินหรือเล่นเกมสงครามต่างๆเหมือนกับว่าเราเป็นตัวที่กำลังเล่นกำลังอยู่ในเหตุการณ์นั้นฉันไดเวลาที่เรานอนหลับนี่จิตใจเราก็เหมือนอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเหมือนจริง เป็นเป็นความจริงเหมือนกับความจริงเพราะเราคิดว่าเรากาลังเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาที่เวลาเราเรานอนหลับไม่ว่าเราจะฝันดีหรือฝันร้ายนี่เราไม่รู้ว่าเรากาลังฝันกันเรากาลังคิดว่าเรากาลังอยู่ในเหตุการณ์ น, นั้นจริงๆเหมือนกับตอนนี้เลยเหมือนกับตอนที่เรานั่งฟังเทศฟังธรรมนั่งทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เราก็ เหมือนมันก็จะเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันไปหรือตอนที่เราตายไปเราก็จะเหมือนกับอยู่ในโลกเสมือนจริงเหมือนกับว่าเราอยู่กับความจริงเป็นจริงไปเที่ยวก็เที่ยวจริงๆไปกินไปดื่มก็ไปกินไปดื่มจริงๆไปเจอเหตุการณ์น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัว ไปเจอความทุกข์ความยากลำบากต่างๆไปเจอความอดอยากขาดแคลนไปเจอความทุกข์ทรมานต่างๆอันนี้จะเป็นเหมือนจริงเหมือนกับขณะที่เราตื่นกันเหมือนขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละคือเรื่องของสภาพของจิตใจหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจจะอยู่ในเรื่องโลกของความฝันความเป็นจริง ความเป็นจริงที่เราไม่รู้ว่ามันไม่จริงเราไม่รู้ว่ามันเป็นความฝันเราจะรู้ตอนที่เราตื่นขึ้นมาเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันดีหรือฝันร้ายนี่เราไม่รู้ว่าเรากำลังฝันแต่พอเราตื่นขึ้นมาเราถึงจะรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้นี่มันเป็นความฝันแต่มันเป็นเหมือนความจริงร้อยเปอร์เซนต์เลยเหมือนกับเราตื่น อยู่ในขณะนี้ทำอะไรต่างๆอยู่ในขณะนี้เลยนี่แหละคือเป็นสิ่งที่มันเป็นความจริงสำหรับใจของพวกเราแต่ถ้าเรามาลู้ทีหลังเราก็อาจจะบอกว่ามันเป็นเหมือนความฝันมันเป็นความฝันเหมือนกับชีวิตของเราที่เราผ่านมาในแต่ละวันนี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้มันผ่านไปหมดแนละ้ว เราจะมองกลับไปเราก็อาจจะพูดว่ามันเหมือนกับความฝันก็ได้สิส่งที่เกิดขึ้นนี้เราผ่านมาแล้วสัมผัสมาแล้วไม่ว่าจะสุขก็ดีไม่ว่าจะทุกข์ก็ดีมันก็ผ่านไปแล้วมันก็เป็นเหมือนกับความฝันเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามองกลับเข้ามาในของของเหตุการณ์ในวันนี้ เราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นเหมือนความฝันเหมือนกันฉะนั้นจะพูดตามความจริงแล้วจิตนี้ของพวกเรานี้กําลังอยู่กับความฝันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหมือนความฝันทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวนั่นเองมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผ่านไปก็เหมือนจิตเรามองย้อนกลับไปแล้วก็เห็นว่า ออมันเหมือนความฝันฉันชีวิตของพวกเรานี้มันไม่มีอะไรที่จะที่เราจะยึดจะจับจะติดได้อย่างจิอย่างแท้จริงเลยเหมือนกับสิ่งต่างๆที่เราได้ในขณะที่เราฝันพอเราเตื่นขึ้นมาสิ่งต่างๆที่เราฝันก็หายไปหมดเช่นเราฝันว่าเมื่อคืนนี้เราได้ไปเป็นมหาเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้าน มีจะต้องการซื้ออะไรจะต้องการทำอะไรทำได้หมดเลยแต่พอเราตื่นขึ้นมาสิ่งต่างๆที่เราเป็นอยู่ในความฝันเน้นมันก็หายไปหมดเลยก็เหมือนกับเวลาที่เราตายไปเนี่ยตอนนี้เรากำลังคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่กันเป็นตำรวจเป็นทาหารเป็นข้าราชการเป็น เจ้าของบริษัทเป็นพนักงานบริษัทเป็นอะไรต่างๆก็สุดแท้แต่จะเป็นเถิดแล้วมีอะไรมากมายกมากม า, กกายก่ายก่มากน้อยเพียงไรก็ตามที่เราจับต้องได้ที่เราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยแต่พอเราตายไปนี่มันหายไปหมดเลยเราจับต้องไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นของเราไปอีกถ้าเราระลึกชาติได้เราก็อาจจะมองกลับว่าอ้อ ชาติก่อนเราได้เป็นนั่นเป็นนี่มีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้มีความสุขมีความทุกข์แบบนั้นแบบนี้มันก็เป็นเหมือนความฝันชาตินี้ที่เรากำลังอยู่กันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่นี้เดี๋ยวพอร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าจิตของเรานี้สามารถระลึกชาติได้เวลาเราไปเกิดใหม่แล้วเรารลึกชาติได้เราก็จะ เห็นว่าออชาตินี้เราเคยทาอย่างนั้นเคยทาอย่างนี้ไม่ว่าจะผ่านมากี่พบกี่ชาติมันก็เหมือนเป็นความความฝันแต่ละเรื่องนั่นเองเมื่อคือนนี้ฝันเรื่องนี้ฝันว่าเป็นนั่นเป็นนี่เดี๋ยวคืนนี้ก็จะฝันอีกฝันว่าเป็นนู่นเป็นนี่จะดีหรือจะชั่วก็ตามพอมันผ่านไปมันก็หมดไปไม่มีอะไรติดอยู่กับใจเลย ใจไม่สามารถที่จะเอาอะไรต่างๆที่ใจหามาได้ติดไปกับใจเลยเวลาตายไปนี่ก็เอาแต่ความทรงจําไปเอาแต่ความรู้สึกไปถ้าเอาความรู้สึกดีไปเราก็เรียกว่าบุญเรียกว่าสวรรค์เพราะว่าความรู้สึกดีนี้ความคิดที่ดีนี้จะทําให้เราฝันดีกันฝันแต่เรื่องดีๆ เช่นเราตายไปตอนที่เราเป็นมีชีวิตอยู่เราอาจจะเป็นขอทานหรือเป็นคนยากจนแต่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราทำแต่ความดีทำแต่บุญทำแต่ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นพอเวลาเราตายไปนี้ใจเรามันจะฝันว่าเป็นเศรษฐีฝันว่ามีเงินมีทองมีข้าวมีของมีอะไรกินมีอะไรใช้อยู่เยอะแยะไปหมดแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่ อยู่แบบอดอยากขาดแคนอยู่แบบประหยัดมัธยัติไม่มีอะไรมากพอมีอะไรก็เอาไปทาบุญหมดมีอะไรก็แบ่งคนนั้นแจกคนนี้เช่นพระเวชจันดร์ดอพระเวชจันดรตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ทาบุญอย่างสุดๆใครต้องการอะไรถ้าท่านให้ได้ท่านยินดีให้ท่านไม่ต้องการอะไรท่านต้องการทำทาน ท่านมีความสุขจากการทำทานมากกว่ามีความสุขจากการมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆท่านจึงไม่เสียดายทรัพสมบัติเข้าของเงินทองท่านกลับเห็นว่าทรัพสมบัติเงินทองนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านมีความสุขด้วยการเสียสละสิ่งเหล่านั้นไปพอท่านเวลาท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็อยู่แบบสมถะเรียบง่าย ไม่ได้อยู่แบบมหาเศรษฐีแต่เวลาท่านตายไปนี่ท่านไปอยู่บนสวรรค์ท่านไปฝันว่าเป็นมหาเศรษฐีแล้วหลังจากที่ท่านลงมาจากสวรรค์ท่านก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะกลับมาอยู่แบบมหาเศรษฐีอีกนี่แหละคือเรื่องของสัมมาทิฏฐิเรื่องของบุญเรื่องของบาปว่า ถ้าเราทำบุญทำแต่สิ่งที่ดีในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่เราจะมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากมายกายกองถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอำนาจวาสนาไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรก็ตามแต่ใจของเรานี้จะมีความสุขเวลานอนหลับเราก็จะฝันดี เวลาที่เราตายไปเราก็จะฝันดีต่อไปฝันไปจนกว่าเราจะได้ร่างกายอันใหม่เราก็จะเตินขึ้นมาใหม่นี่เป็นความจริงที่พวกเราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพวกเราจะไม่เชื่อเรื่องบุญไม่เชื่อเรื่องบาปกันเพราะเป็นสิ่งที่ เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาของร่างกายนั่นเองเราจึงเชื่อสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาของร่างกายเชื่อว่าถ้าเรามีเงินมากๆเราจะมีความสุขมากๆถ้าเรามีาตำแหน่งสูงสงสูงใหญ่เราจะมีอำนาจสามารถทำอะไรต่างๆที่เราต้องการจะทำได้อย่างง่ายดายอย่างสะดวกถ้าเรามี ลังวีรลังวัลเราจะมีคนนับหน้าถือตาเราถ้าเราได้รับเหรียญเงินเหรียญทองได้รับโล่ทองคําได้รับถ้วยอะไรต่างๆเป็นรางวัลคนเขาก็จะยกย่องนับถือเราว่าเราเป็นคนเก่งคนดีถ้าเราได้ไปเที่ยวไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสเราจะมีความสุขกัน เราก็เลยพุ่งเป้าหมายของการหาความสุขของเราไปที่การหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันโดยไม่คำนึงถึงว่าจะหามาได้โดยวิธีใดขอให้หามาได้เท่านั้นเพราะเราคิดว่านี่แหละคือความสุขของพวกเราเราจึงไม่กลัวบาปกันเวลาที่เราต้องการหาเงินหาทอง แล้วถ้าเราจำเป็นที่จะต้องหาด้วยวิธีทำบาปเราก็จะกล้าทำกันเพราะเราเห็นว่าพอได้เงินได้ทองมาแล้วเราก็จะได้มีเงินทองใช้มีความสุขแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือไม่มองกันก็คือความรู้สึกภายในใจของเราว่าเป็นอย่างไร <c oughs> เราอาจจะมีความสุขตอนช่วงแรกๆตอนที่เราได้ทำบาป ได้สิ่งที่เราต้องการเช่นเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเราก็จะดีใจโห้ oh, ได้เงินทองมา <c oughs> แล้วพอเราไปใช้หรือหรือไปใช้หมดหรือยังไม่หมดแล้วเราก็จะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าเราได้ทำสิ่งที่ผิดเพราะว่ามันจะมีโทษตามมาเพราะเจ้าของเงินทอง เขาก็อยากจะได้เงินทองของเขาคืนมาเขาก็ต้องพยายามหาวิธีตามจับเราให้ได้อย่างเขาก็จะไปแจ้งความไปบอกตำรวจตำรวจเขาก็จะมาสอบสวนมาค้นหาความจริงว่าใครเป็นผู้ที่ลักทรัพย์นี้ไปถ้าเขารู้ว่าเป็นใครเขาก็จะตามจับผู้นั้นแล้วก็จับผู้นั้นมาลงโทษต่อไปผู้ที่ทำบาปก็เลย จะมีความรู้สึกไม่มีความสุขถึงแม้จะมีเงินซื้อความสุขมีเงินไปเที่ยวมีเงินไปซื้อสิ่งต่างๆที่ต้องการจะซื้อก็ตามแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความทุกข์สมอยู่ภายในหัวใจอยู่ตลอดเวลาคือความหวาดกลัวความวิตกความกังวลต่างๆความรู้สึกไม่ปลอดภยัยไปไหนไปทำอะไรนี้จะมีความหวาดระแวงอยู่เรื่อยๆ ไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทําบาปเนะี่ยเวลาที่ไม่ได้ทําบาปนี้ใจจะสบายใจจะไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวไม่หวาดระแวงกับการที่จะต้องถูกจับไปลงโทษนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่ <c oughs> ผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิมีความหลงครอมงําอยู่ภายในจิตใจนี้จะไม่เห็นคือความรู้สึกทางจิตใจเอไม่รู้สึก ไม่จะเห็นแต่ความสุขที่จะได้จากการที่ไปได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาครอบครองซึ่งเป็นความสุขชั่วระยะแรกๆชั่วเดี๋ยวเดีวแต่ความไม่สบายใจที่มันตามมาทีหลังนี้มันอยู่กับใจไปเป็นเวลาอันยาวนานเลยอันนี้มองไม่เห็นกันจึงทำให้กล้าทำบาปกัน นาจะจึงไม่ชอบทําบุญกันพอไม่เห็นว่าเวลาทําบุญแล้วจะได้อะไรนั่นเองเพราะเห็นแต่มีแต่เสียเวลาทําบุญนี้ต้องเสียเงินเสียทองที่เราลากเราหวงที่เราจะเอาไปซื้อความสุขต่างๆถ้าเราเอาเงินทองไปทําบุญเราก็จะไม่สามารถไปซื้อความสุขต่างๆได้เราก็เลยเสียดายเงินทองกับการทําบุญ เราก็จะไม่อยากทำบุญเพราะเราไม่รู้จักผลที่เกิดจากการทำบุญนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนมันมีประโยชน์กับเราอย่างไรนั่นเองแต่ถ้าเราเป็นคนที่รู้จักสังเกตดูรู้จักเปรียบเทียบความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจของเราดูเราจะเห็นว่าเวลาที่ทำบุญกับไม่ทำบุญนี้จิตใจเรามีความรู้สึกต่างกัน เวลาได้ทําบุญแล้วใจจะรู้สึกมีความสุขมีความอิ่มใจขึ้นมาเวลาไม่ได้ทําบุญนี้ใจจะมีแต่ความหิวความอยากได้สิ่งนั้นมีสิ่งนี้นี่แหละเป็นเรื่องของของดวงจิตดวงใจที่ยากสําหรับพวกเราที่จะมองเห็นกันเราจึงต้องรอให้คนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า หรือพออระอลิยสงสารวกมาสอนมาบอกพวกเราว่าการกระทาอย่างไหนจะเป็นประโยชน์เป็นสุขกับเราอย่างแท้จริงการกระทาอย่างไรทำไปแล้วจะเกิดทุกข์กิดโทษแก่จิตใจของพวกเราถ้าพวกเราฟังแล้วเชื่อมีศรัทธาเราก็โชคดี เพราะว่าถ้าเราเชื่อคนที่คนตาดีคนตาดีเขาก็จะพาเราไปสู่ที่ดีที่ปลอดภัยนั่นเองถ้าเราไม่เชื่อคนตาดีเราเชื่อตัวเราเองหรือเชื่อคนที่เป็นคนตาบอดคนที่มีมิจฉาทิฏฐิคนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปคนที่ไม่เชื่อสวรรค์นรกคนที่ไม่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะไปสู่ที่ไม่ดีลองเปรียบเทียบดูคนตาดีกับคนตาบอดนี่ถ้าให้เดินไปสองคนเนี่ยเดินไปเนี่ยใครจะเดินไปอย่างปลอดภัยใครจะเดินไปแล้วจะต้องไปชนอะไรบ้างอต้องไปเตะอะไรบ้างนี่คือลักษณะของคนที่มีโมหะอาวิชากับคนที่ไม่มีโมหะอาวิชามอ พระพุทธเจ้าฟ้าอริยสงสาวกนี้ท่านได้กำจัดโมหะอาวิชชาความมืดบอดที่บกปิดสิ่งต่างๆเช่นบุญเช่นบาปนี้ทำให้จิตใจไม่สามารถเห็นได้นี้หมดไปท่านจึงเห็นบุญเห็นบาปเห็นผลของบุญของบาปอย่างชัดเจนท่านจึงไม่มีการกระทำบาปโดยเด็ดขาด พระอริยสงฆ์สาวกทุกระดับตั้งแต่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปนี้ท่านจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะท่านเห็นผลของบาปที่จะตามมาว่ามันร้ายกาจยิ่งกว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากการทำบาปคือได้ไม่คุ้มค่ากับการที่เราจะต้องไปรับผลของการทำบาปนี่คือความแตกต่างระหว่างพระอริยสงฆ์ พระพุทธเจ้ากับพวกเราพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์นี้ท่านเป็นเหมือนคนตาดีส่วนพวกเรานี้เป็นเหมือนคนตาบอดถ้าปล่อยให้คนตาบอดเดินไปตามลำพังนี่ถ้าจะเดินไปถึงที่ต้องการจะไปได้อย่างปลอดภัยก็ทุลักทุเลต้องใช้เวลามากเพราะต้องคลาไปไม่เหมือนกับคนตาดีนี่ไม่ต้องคลา เดินไปวิ่งไปได้อย่างรวดเร็วดังนั้นถ้าเรายังเป็นคนตาบอดอยู่ถ้าเรายังมีความเห็นผิดเป็นชอบอยู่มีโมหะอวิชชาอยู่เราควรจะเข้าหาคนตาดีหาพระพุทธเจ้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือหาพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนบอกให้เราดําเนินชีวิตของเราให้ไปสู่ ที่ชอบที่ชอบที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเพียงอย่างเดียวที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆเราก็ต้องเข้าหาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือจากพระอริยสงสาวกก็ดีพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกนี้จะสอนเหมือนกันมีคำสอนอยู่สามข้อ คือละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะการทำบาปมันเป็นโทษกับจิตใจสองให้ทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพราะบุญกุศลต่างๆนี้มีประโยชน์กับจิตใจจะให้ความสุขแก่จิตใจสามให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้กำจัดโมหะอวิชากิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้เพราะ โมหะอาวิชากิเลสตัณหานี่แหละเป็นผู้ที่หลอกให้จิตต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายถึงแม้ว่าเวลาที่มาเกิดจะได้อะไรมากมายกายกองได้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพพาอย่างมากมายกายกองก็ตามแต่ในที่สุดมันก็ต้องหมดไปเวลาที่ร่างกายตายไป และก่อนที่ร่างกายจะตายก็ต้องมาทุกกับความแก่ของร่างกายทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแล้วพอตายไปแล้วก็จะถูกกิเลสตัณหาโมหะอาวิชานี้หลอกให้ไปมีร่างกายอันใหม่อีกและช่วงที่รอให้ไปรับกิเลสตัไปรับร่างกายอันใหม่ถ้าทําบาปก็จะเป็นช่วงที่จะมีแต่ความไม่ มีแต่เรื่องไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีปรากฏขึ้นมาภายในใจถ้าได้ทำบาปถ้าได้ทําบุญมากกว่าทำบาปช่วงที่รอรับร่างกายอันใหม่ก็จะเป็นมีเหตุการณ์ที่ดีปรากฏขึ้นมาภายในใจให้ได้เสพได้สัมผัสไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เกิดใหม่แต่เกิดใหม่ก็ไม่ดีเพราะเกิดพอเกิดแล้วก็ต้องมาดิ้นโลนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ต้องดินรนกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกําจัดความทุกข์ทางร่างกายด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายใหม่อีกรอบหนึง่งแต่ถ้าเราสามารถชาระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดไปจากจิตจากใจได้เราก็จะสามารถยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ ไม่ต้องกลับมาวุ่นวายกับการมาเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องมาวุ่นวายกับการดูแลความแก่ความเจ็บความตาย น, นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำกันหลังจากที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะต้องทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็สอนตามลำดับความสามารถของพวกเราสอนให้เราทำสิ่งที่ง่ายก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปสู่สิ่งที่ยากกว่าตามลำดับสิ่งแรกนี้ท่านต้องการให้เราทำก็คือให้เราหยุดการกระทำบาป ก, กันก่อนเพราะบาปนี้เป็นเหมือนไฟที่กำลังไหม้บ้านเราไฟที่กำลังเผาผลาญจิตใจพอเราเห็นบ้านเราไฟไหม้สิ่งที่เราต้องทาคืออะไร ต้องรีบไปหาหนะ้ามาดับไฟก่อนพอดับไฟแล้วเราค่อยไปหาเครื่องมาซ่อมบ้านมาสร้างบ้านใหม่มาทําบ้านให้น่าอยู่ต่อไปอย่างนั้นขั้นต้นเราต้องมาลาบบาปก่อนเพราะตอนนี้ใจของพวกเราถ้าทําบาปนี้จะเหมือนกับบ้านที่กําลังไฟไหม้อยู่บ้านที่กําลังไฟไหม้นี้ไม่น่าอยู่น ต้องถึงแม้ว่าจะไปซื้อของตกแต่งซื้ออะไรมาเสริมในบ้านก็ตามซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้ออะไรต่างๆมาเก็บไว้ในบ้านเพื่อให้เรามีความสุขแต่บ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่นี้มันอยู่ไม่มีความสุขหรอกจิตใจที่ยังทำบาปอยู่นี้มันจะทำมีแต่ความรุ่มร้อนจิตใจอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีเงินทองไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆมาเสพก็ตาม แต่มันเสพแบบไม่มีความสุขเหมือนกับคนที่ไม่ได้ ท, าทําบาปยั้นขั้นต้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาหัดยุติการทําบาปก่อนด้วยการให้มาถือศีลห้าให้เรามาละเว้นการเสพอบายามุกต่างๆเพราะอบายามุกนี้เป็นเหมือนตัวที่จะทําทให้เกิดการกระทําบาปตามมาถ้าไม่มีอบายามุกเนี้ย ไม่เสพอบายามุกแล้วโอกาสที่จะทํำบาปนี้น้อยคนที่ไม่เสพอบายามุกนี้จะทํำบาปยากกว่าคนที่เสพอบายามุกดังนั้นต้องละการเสพอบายามุกก่อนอบายามุกก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันหนึ่งคือการดื่มโุราสองการเล่นการพนันสาการเที่ยวกลางคืนสความเกลียดคร้านห้า การคบคนที่ชอบอบายยมุกเป็นมิตรเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังต้องอย่าไปเกี่ยวข้องให้ได้เป็นอันขาดเพราะว่าการเสพอบายยมุกนี้มีแต่การสูญเสียทรัพยากรสูญเสียเวลาสูญเสียเงินทองไม่ได้ผลิตรายได้ให้กับเราเมื่อเราสูญมีแต่เสียรายได้เสียแต่ทรัพย์เสียแต่เงินทอง ต่อไปเงินทองเราก็จะไม่พอใช้นั่นเองพอเราไม่พอใช้ถ้าเราไม่มีงานทำเรื้อหางานที่เราทำไม่สามารถอพอใช้กับค่าใช้จ่ายของเราเราก็า จ, จะต้องไปทำบาปต้องไปรักทรัพย์ต้องไปโกหกหลอกลวงแต่ถ้าเราไม่เสพอบายามุกนี้รับรองได้ว่าเงินทองจะพอใช้เพราะว่า เงินทองส่วนใหญ่ที่เราเสียกันไปนี้มันเสียไปกับพวกอบายามุกนี่ไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตะทั้งกลางคืนทั้งกลางวันแล้วก็ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนานาของที่ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอบายามุกได้แล้วความเกลียดค้านก็เป็นตัวที่ทําให้เราไม่มีรายได้กัน เพราะคนที่มีความเกลียดค้านจะไม่ชอบทำงานชอบเที่ยวชอบเล่นมากกว่าการเที่ยวการเล่นไม่มีรายได้ถ้าเที่ยวเล่นไม่ทำงานเดี๋ยวเงินทองก็ไม่พอใช้หรือหมดหมดแล้วก็หาเงินทองไม่เป็นเพราะไม่ทำงานทำงานไม่เป็นไม่มีงานทำก็จะต้องไปหาเงินทองด้วยวิธีการขโมยเงินของของผู้อื่นแลือโกหกหลอกลวงผู้อื่น ขอยืมเงินเขามาแล้วก็ไม่ใช้เป็นต้น น, นี่คืออบายามุขข้าประการด้วยกันการเดือมร้ายาาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวเตะการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆการความเกลียดคล้านและการครบคนที่ชอบอบายามุขถ้าเราครบกับคนที่ชอบอบายามุขเขาก็จะชวนเราไป เจ็บาใยมุกกับเขานั่นเองถ้าชอบถ้าคบกับคนที่ชอบกินเหล้าเดี๋ยวเขาก็ชวนเราไปกินเหล้าถ้าคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเดี๋ยวเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าคบกับคนที่ชอบเที่ยวก็เขาก็จะชวนเราเที่ยวถ้าคบกับคนที่ชอบซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเขาก็จะชวนเราไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆชอบถ้าคบกับคนที่ขี้เกียจเขาก็จะชวนให้เราขี้เกียจ แทนที่จะไปทำงานเขาก็จะชวนอย่าไปทำเลยไปเที่ยวกันดีกว่าไปเล่นกันดีกว่าทำงานไม่เห็นได้อะไรเลยมีแต่ปวดหัวไปเที่ยวแล้วสนุกสนานแต่เขาไม่นึกถึงผลที่จะตามมาทำงานถึงแม้มันจะปวดหัวจะเหนื่อยแต่มันมีรายได้มีเงินทองเข้ามาไปเที่ยวมันไม่มีรายได้ถึงแม้จะสนุกสนานแต่มันไม่มีรายได้มันมีแต่รายจ่า <c> ย <oughs> นะ นี่คือสิ่งแรกที่พระเจ้าสอนให้พวกเราทากันก็คือให้หลีกเลี่ยงอบายามุขทั้งห้านี้แล้วก็ให้มาถือศีลห้ากันถึงแม้ว่าเราหลีกเลี่ยงอบายามุขแล้วแต่โอกาสที่เราจะทําบาปก็ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าคนที่เสพอบายามุขแต่ก็ยังมีเวลาที่อาจจะทําให้เราทําบาปได้เช่นมีเหตุการณ์มาบีบปังคับ เช่นเกิดความโกรธขึ้นมาอย่างรุนแรงหรือเกิดความโลภขึ้นมาอย่างรุนแรงนีก็ยังอาจจะทำให้เราไปทำบาปได้แต่ถ้าเรามีความมั่นคงแน่วแน่ต่อการรักษาสีห้าสีห้าก็จะช่วยระงับความโลภความโกรธเหล่านี้ได้ถึงแม้จะโลภจะโกรธไม่หายไปแต่อย่างน้อยมันก็จะไม่ไปทำสิ่งที่มันไา้กาดกว่าความโลภความโกรธ คือการไปทำบาปตามความโลภตามความโกรธอันนี้จึงต้องมาละ ก, การกระทำบาปก่อนมารักษาศีลห้ากันให้ได้ละเวทอบายามุกกันให้ได้ถ้าเราทำได้ก็เท่ากับเราดับไฟที่กำลังเผาบ้านเราอยู่ให้มันหยุดเผาแล้วเราจะได้มาซ่อมแซมบ้านเรามาตกแต่งบ้านเรา มาหาสิ่งต่างๆที่จะให้ความสุขกับเราในบ้านเรานี้เข้ามาใส่ในบ้านเราได้พอใจเราปราศจากความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปแล้วถ้าเราอยากจะเกิดความสุขเราก็ต้องทำบุญกันทำบุญด้วยวิธีต่างๆตามกำลังของเราถ้าเรามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราก็เอาเงินทองนี้ไปช่วยผู้อื่นไปให้ผู้อื่น สงเคราฆ์ผู้ที่กขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอย่างที่พวกเราสงฆ์ผ้าสง์องค์เจ้าทําบุญใส่บาตรถวายทานต่างๆถวายสังฆทานถวายผ้าป่าถวายผ้ากรถินช่วยการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างเมนสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับใจเหมือนกับไปซื้อของมาใส่ในบ้านเราเช่นไปซื้อพัดลม ไปซื้ อ, อเครื่องปรับอากาศไปซื้อตู้เย็นไปซื้อเครื่องอุ่นน้ำร้อนอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นการเสริมความสุขให้กับใจการกระทำบาปการไม่กระทำบาปนี้เป็นเหมือนกับดับความวุ่นวายดับไฟในใจแต่ไม่ได้สร้างความสุขให้กับใจถ้าไม่ทำบาปแล้วถ้าอยากจะเกิดความสุขใจอิ่มใจสบายใจตื่นก็สุขหลับก็สุข นอนหลับก็ฝันดีอันนี้ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลกันบุญกุศลก็มีหลายแบบด้วยกันที่พระเจ้าสอนให้เราทํากั น, นเช่นทําบุญทําทานช่วยเหลือผู้อื่นมีใครเดือดร้อนมีเงินทองก็ช่วยทางเงินทองถ้าไม่มีเงินทองก็ช่วยด้วยวิธีอื่นก็ได้บางท่านมีวิชาความรู้เป็นครูเป็นอาจารย์ จะช่วยเด็กนักเรียนที่กำลังอยากจะสอบเอ็นทันเข้ามาหาอะไรช่วยติวเข้มให้กับเขาโดยที่ไม่คิดเงินทองก็ได้เนเพราะเด็กบางคนนี้อาจจะยากจนไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษถ้าเราประกาศว่าเด็กคนไหนไม่มีเงินเรียนพิเศษถ้าต้องการจะติวเข้มก็มาเรียนกับเราก็ได้โดยที่จะไม่คิดเงินทองอันนี้ก็เป็นการทาบุญเหมือนกันเรียกว่าวิทยาทาน ให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่นถ้าเพราะคนที่มีวิชาความรู้เช่นครูต่างๆนี้จะไม่ร่าไม่รวยเพราะอาชีพของครูนี้ไม่ใช่เป็นอาชีพที่ร่ารวยแต่รวยทางวิชาความรู้ถ้าไม่มีเงินทองให้ผู้อื่นก็ให้วิชาความรู้แทนก็ได้บางคนเงินทองก็ไม่มีวิชาความรู้ก็ไม่มีแต่ก็มีเวลามีกาลังกาย ก็อุทิศกําลังกายให้กับงานสาธารณกุศลต่างๆก็ได้เวลาที่ไหนมีงานก็ไปช่วยกันเวลาเช่นไปร่วมกับมูลนิธิต่างๆเวลาเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยก็ไปช่วยกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการที่กําลังตกอยู่ในภัยต่างๆไปบรรเทาความทุกข์ไปบรรเทาภัยต่างๆให้มันเบาบางหรือให้มันหมดไปอันนี้ก็เป็นการสร้างกุศลชนิดต่างๆ หรือการตอบแทนพวะคุณของผู้ที่มีมพระคุณต่างๆทำให้ความเคารพต่อผู้มีพระคุณคอยรับใช้คอยช่วยเหลือผู้ที่มีพระคุณอย่างนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกันการได้กระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขขึ้นมาการละการกระทำบาปนี้จะทำให้ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาบาปหายไป จะไม่เกิดความสุขใจถ้าเราไม่ได้ทำบุญกั น, นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนขั้นที่หนึ่งให้ละการกระทำบาปก่อนสองให้เราสร้างบุญสร้างกุศลกันพอเราสร้างบุญสร้างกุศลเราก็จะมีความสุขมีความสบายใจเราก็จะมีกำลังที่จะมาทำข้อที่สามคือมาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เรามากำจัดความโลภความโกรธความหลง ความความโง่เขลาเบาปัญญาต่างๆด้วยการไปวัดกันไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้รู้จักวิธีชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ว่าให้ทาอย่างไรถ้าเราไปวัดเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราต้องฝึกถือศีลที่สูงกว่าที่เราถืออยู่ถ้าเราถือศีลห้าอยู่แล้วเราก็ต้องเพิ่มจากศีลห้าเป็นศีลแปด แล้วเราก็จะต้องอไปอยู่ในที่ที่สงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะการที่จะทำใจให้สงบเพื่อชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้นี้ต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นถ้าอยู่ในบ้านอยู่กับคนที่เขายัางดูหนังฟังเพลงยังทำอะไรต่างๆอยู่ เดี๋ยวเขาก็ต้องชวนเราทำด้วยถ้าเราไม่ต้องการที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้เราต้องการที่จะไปชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็ต้องไปปรีกวิเวกไปหาที่สงบอยู่กันไปที่ที่เราจะได้รักษาศีลแปดได้อย่างง่ายดายและเป็นที่ที่เราจะได้สามารถเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบและเป็นที่ที่เราจะได้เจริญปัญญา ขั้นต่างๆขั้นต้นเราก็จเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมก่อนเมื่อเราได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเรารู้ว่าวิธีกำจัดกิเลสตัณหานี้ต้องกำจัดอย่างไรขั้นที่สองเราก็เอาไปทำการบ้านต่อต้องการกำจัดกิเลสตัณหาก็ต้องเหตุต้องศึกษาต้องมองให้เห็นว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการนี้ไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์เช่นไปเที่ยว กิเตันหาว่าจะว่าเป็นความสุขแต่ถ้าเป็นธรรมธรรมะถ้าเป็นปัญญาจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขเดียวเดียวเวลาเที่ยวมันก็สุขแต่เวลามันกลับมาจากเที่ยวความสุขนั้นมันจะหายไปพอความสุขหายไปความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทนที่มันจะทำใหอ้อยู่บ้านไม่ติดอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่แล้วหงุดหงิดลาคาญใจนี่คือปัญญา เราต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าก่อนเรียกว่าสุตตะมยปัญญาพอเรียนแล้วเราเอามาจดจำไว้เอามาคิดอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขนี่มันเป็นทุกข์นะเพราะมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศจันทรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น สอนไว้เพื่อเวลาที่เราเกิดความอยากไปเราจะได้มีความรู้นี่มาหยุดความคิดที่ผิดไปความคิดที่ว่าการได้ไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความสุขเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ผิดเราต้องเอาสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าที่สอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี่ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องเอามาคิดอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่คิดเดี๋ยวเราจะลืมถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเราไม่ลืมพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะเอาความรู้นี้มาหยุดใจถ้าหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีกำลังเรายังขาดสมาธิเราก็ต้องไปทำสมาธิกันก่อน นั่งสมาธิหยุดใจให้ได้ก่อนด้วยการเจริญสติพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกพอเราหยุดความคิดได้แล้วต่อไปเวลาเกิดความอยากพอปัญญามาบอกว่าอย่าไปทำตามความอยากนะเพราะมันเป็นทุกข์นะเราก็จะหยุดมันได้พอหยุดได้ความอยากนั้นก็จะหมดไปต่อไปความอยากต่างๆก็จะหายไปจากใจจนหมดสิน้นใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา ใจที่ไม่มีความอยากนี้จะไม่มีความทุกข์ต่อไปจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจะไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะสิ่งที่ดึงให้ใจกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็คือความอยากต่างๆนี่เองนี่แหละคือเรื่องของการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การเข้าวัดก็เพื่อมาเข้ามาเพื่อซักพอกจิตใจของพวกเราให้สะอาดบริสุทธินั่นเอง พระจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้นำความสุขมาอย่างยิ่งให้แก่จิตใจก็คือบรมสุขนี้เองที่เรียกว่านิบานังปรมังสุขขังจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เราเรียกว่านิพานจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เป็นนิพานนี้จะมีแต่ความสุขที่เป็นระดับบรมสุขดังนั้นขอให้ท่านจงมีศรัทธามีความแน่วแน่ต่อคาสั่งคาสอนของพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ แล้วขอให้ท่านพยายามปฏิบัติตามให้ได้เถิดแล้วรับรองได้ว่าคำว่านิบานังปรลมังสุขขังจะปรากฏขึ้นมาภายในใจของท่านอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยาถาวาไรวาหาปุราปาริโุเรนติสาครัง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 สัพพโรโควินาศสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวัฒนสิริสานิจางวุฒาปจายโนจตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง ลำดับต่อมานี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็ให้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามรอยยี่สิบหกคน y o u t u สองร้อยยี่สิบเจ็ดคนวิทยุออนไลน์ยี่สิบแปดคนผู้รราฟังบนเขา หนึ่งร้อยสิบสี่คนรวมทั้งหมดหกาาร้อยเก้าสิบห้าคนเขาดระจาคำถามจากทาง f a c e <oughs> Book นะคะจากคุณโจ <c oughs> เรียนสอบถามอาการเมื่อเข้าถึงอั ป, ปนาสมาธิเป็นอย่างไรบ้างครับเมือนเวลากินข้าวอิ่มอ่ะมันอธิบายไม่ได้หรอกถ้าคนไม่เคยกินข้าวมันไม่รู้หรอกว่ากินข้าวอิ่มเป็นยังไงงั้นเลยไม่อยากอธิบายสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น กินเข้าไปเดอะกินเข้าไปอย่าหยุดกินเดี๋ยวมันอ e ิ่มมันรู้เองว่าเป็นยังไงพุทธโธเข้าไปนั่งสมาธิแล้วก็พุทธโธพุทธโธอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรอย่าไปคิดว่าเวลาเป็นอัปปนาสมาธิเป็นยังไงถ้าคิดอย่างนี้ไม่มีวันที่จะเข้าถึ ง, งอัปปนาสมาธิเหมือนกับกินข้าวนะถ้ามานั่งกันคิดว่าเวลากินข้าวอิ่มแล้วเป็นยังไงนั่งคิดอยู่นั่นนะแต่ไม่ยอมกินสักทีมันไม่มีวันอิ่มหรอกนะ อย่าไปคิดเวลาจะนั่งสมาธิอย่าไปคิดพุดโทโธมันอย่างเดียวหยุดความคิดความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราไม่มีสมาธิกันเราต้องหยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธไปเหมือนเราหิวข้าวเราก็กินข้าวเข้าไปไม่ถามเราเวลาอิ่มเป็นยังไงใช่ไหมคำถามจากคุณภาสกรค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราตั้งใจนั่งสมาธิสามชั่วโมง นั่งไปได้สองชั่วโมงกำลังอยู่ในชาญหนึ่งแต่มีเหตุต้องไปทำธุระด่วนเราควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องครับถ้าเราอยากจะรักษาสัจจะของเราเราก็ต้องนั่งต่อไปว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับสัจจะเพราะถ้าเราไม่รักษาสัจจะต่อไปเราจะทำอะไรไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรแล้วเดี๋ยวก็มีเหตุอย่างอื่นมาดึงไปเราก็เลิกทาไป เหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่นั่งอยู่คนใต้โคนต้นโพพระพุทธเจ้าก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสัลูถ้ายังไม่ตัดสรลูถึงมาเลือดในห่างกายมันจะแห้งไปก็จะยอมให้มันแห้งไปจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอันขาดน <c oughs> ยัางนก่อนที่เราจะตั้งสัจจะแล้วต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเรามั่นใจหรือเปล่าว่าเราจะรักษาได้ ถ้ารักษาไม่ได้แล้วอาจจะวงเล็บไว้ว่ายกเว้นในกรณีฉุกเฉินอามีเหมือนกันนะอย่างหลวงตาเนี่ยท่านบางคืนท่านจะนั่งทั้งคืนนั่งตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงสว่างแต่ท่านก็ยกเว้นไว้สองกรณีหนึ่งคูบาราจา์เป็นอะไรขึ้นมากระทันหันหรือว่ า, าสงมีปัญหาขึ้นมาต้องการความช่วยเหลืออย่างนี้ท่านก็จะขอยกเว้นสองกรณีท่านก็จะลุก ถ้านอกจากนั้นเราไม่ลุกจะปวดเยี่ยวปวดขี้ปล่อยให้มันลาดมันตรงที่นั่งนะออไม่อย่งั้นกิเลมันจะหาทางออกเยอะแยกไปหมดนะเดี๋ยวนั่งไปปุ๊บก็ปวดฉี่ขึ้นมานะเดี๋ยวก็ปวดท้องขึ้นมา อ, อ, อย่างถ้าเราอยากจะควบคุมอยากจะควบคุมจิตใจบังคับให้มันทํางานที่มันควรจะทําเราต้องมีสัจจะมีความอมีสัจจะอธิษฐานแล้วเราถึงจะทําสําเร็จนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวทำไปได้ปั๊บเดียวเดี๋ยวมันมาแล้ว บอดตรงนั้นเจ็บตรงนี้คันตรงนูน้นคันตรงนี้ลืมเรื่องนู้นเรื่องนี้ต้องไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีแต่เวลาไปเที่ยวไม่มีเลยใช่ไหม <c oughs> คำถามจากคุณอัญชลีค่ะโยมมีคำถามค่ะระหว่างมีเงินหนึ่งพันบาททาบุญหนึ่งพันบาทหรือมีเงินหนึ่งล้านบาททาบุญหนึ่งพันบาทจะได้บุญเท่ากันไหมคะ ทั้งสองกรณีทำด้วยใจเจ้าค่ะมันมีผลสองสองสองสองสองผลด้วยกันผลแรกคือความรู้สึกทางใจนี่คนที่มีพันบาทแล้วทำหมดพันบาทนี้จะมีความสุขมากกว่าคนที่ทำหนึ่งพันบาทแต่มีล้านบาทเพราะจะไม่รู้สึกว่าเสียอะไรไปเลยยังเหลือต้องก้าวแสนกว่าใช่มก้าล้านกว่าก้าแสนอ่าออหนึ่งล้านก็เหลือก้าแสนกว่า แต่คนที่มีพันบาทหมดตัวเลยนะไม่มีข้าวกินแล้วนะแต่มันรู้สึกมีความสุขที่ได้เสียสละเต็มร้อยมีร้อยเสียสละเต็มร้อยคนที่มีหนึ่งล้านอยากจะมีความรู้สึกเหมือนคนที่เสียหนึ่งพันก็ต้องทำหนึ่งล้านถึงจะมีความรู้สึกเหมือนกันอันนี้เป็นผลอันหนึ่งแต่ผลอีกอันหนึ่งผลที่เราจะได้กลับมาชาติหน้าอันนี้คนถ้าทํา ทำพันด้วยกันก็จะได้กลับมาหนึ่งพันเท่ากันถ้าอยากจะได้มากก็ต้องทํามากกว่านั้นสมมติว่าถ้าคนคนมีหนึ่งล้านทำหนึ่งล้านถ้าหน้าเขากลับมาเกิดเขาจะได้หนึ่งล้านกลับคืนมาบวกดอกเบีย้ยแต่คนที่ทำหนึ่งพันก็จะได้หนึ่งพันกลับมาบวกดอกเบีย้ยเข้าใจัหมมีสองอย่างนะเดี๋ยวจะพูดแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวจะหาว่าอยุให้ทําแต่เยอะๆอย่างเดียวเอ มีพันธทำพันนี่ก็ว่ามีความสุขเท่ากับคนมีล้านทําทําล้านเอมีขาดเพราะเราทําเต็มรอยให้เราดูสัสดส่วนเพราะความรู้สึกเราจะจะดูต้องสัสดส่วนให้เงินกูเหลือเท่าไหร่ว่ม <laughs> ะเงินกูมีเท่าไหร่อต่อไปคํำถามต่อไปค่ะพระอาจารย์ครับการคืนเรานั่งสมาธิดูลมหายใจเขาออกกลางวันเราใช้คําบริกรรมอย่างเดียวกัน ทำสมาธิแบบนี้ได้ไหมครับได้คือเวลาที่เราเดินหรือทำอะไรนี้เราก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปเพราะดูลมไม่ได้ดูลมลําบากเราเพราะเราต้องดูงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังกินข้าวกําลังทํางานเราก็ต้องอยู่กับงานอยู่กับการกินข้าวแต่ถ้าใจมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้พุโทโธเดิงกลับมาแต่เวลาเรานั่งสมาธิตอนคืนนี้เรานั่งเฉยๆไม่ได้ทําอะไรเราก็ดูลมได้ ดูลมได้ดูลมมันสบายกว่าท่องพุโทโธเพราะพุโทโธมันต้องท่องมันเหนื่อยแต่ถ้าดูลมแล้วมันดูเฉยๆแต่ก็ไม่แน่าสาหรับคนบางคนชอบพุโทโธก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยก็ได้พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวจิตก็รวมได้คือรวมได้ทั้งสองอย่างพุโทโธก็รวมดูลมก็รวมดูแล้วแต่ความฉริตนิสัยของแต่ละคนชอบอย่างไรก็ใช้อย่างนั้นไป เหมือนคนหนึ่งชอบกว๋วยเตี๋ยวไอ้คนหนึ่งชอบข้าวผัดเนี่ยกินเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันอยั้นจะใช้ข้าวผัดก็ได้จะใช้กว๋วยเตี๋ยวก็ได้จะใช้พุทโธก็ได้จะใช้ลมหายใจออกก็ได้เข้าออกก็ได้คำถามจากทาง Youtube ค่ะกลาบนมัสการครับขอกลาบเปลี่ยนถามบุญบาปสุขทุกข์ในใจธรรมชาติเช่นนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ ทำไมทำบาปจึงทำให้ไม่สบายใจทำไมทำบุญถึงสุขใจครับก็ทำไมไฟมันถึงร้อนน่ะใช่ไหมทำไมน้ำแข็งมันถึงเย็นน่ะมันไม่มีมันเป็นธรรมชาติของเขาอะธรรมชาติของน้ำแข็งมันก็ต้องเย็นจะให้น้ำแข็งมันร้อนได้ั้ยไม่ได้จะให้ไฟมันเย็นได้ไหมไม่ได้มันเป็นความจริงอะใจก็เหมือนกันทำบุญมันเป็นสุขใจมันเป็นความจริงอะแต่มันไม่มีว่ามัน มาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นความจริงของมันอย่างนั้นเวลาทำบาปมันก็ทุกข์ใจมันก็เหมือนไฟไฟก็ร้อนน้ำแข็งก็เย็นน้าแข็งก็เป็นเหมือนบุญบาปก็เหมือนไฟมันไม่ต้องถามหรอกมันถามมันไม่มีคาตอบเข้าใจมมันเป็นความจริงมันไม่มีทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะตอบยังไงมือนกเราก็ไม่รู้ว่าทำไม แต่เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้รู้แค่นี้ก็พอไม่ต้องรู้ว่ามันทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะไปรู้ว่ามันทําไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมันก็ยังร้อนอยู่นั่นเนี่ยไปเล่นกับไฟมันก็ยังร้อนอยู่นั่นน่ยไปเล่นกับน้ําแข็งมันก็เย็นให้รู้ว่ามันเย็นเลื่อนร้อนดีกว like ่าเอให้รู้ว่าบาปนี้มันเย็นมันมันร้อนเอให้รู้ว่าบุญมันเย็นเราจะได้ถ้าไม่อยากให้ใจร้อนเราก็จะได้อย่าไปเล่นบาปอย่าไปยุ่งกับบาป ถ้าเราต้องการให้ใจเราเย็นสบายแล้วก็ไปยุ่งกับบุญเนทะ่า น, นั้นเองให้รู้แค่นี้ก็พอคําถามจากคุณใจรัตค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าพระพิสุกสง์รักทรัพย์ของพระพิสุกสงุ้ด้วยกันจะอาบัตรข้อไหนเจ้าคะไม่อาบัตรหรอกรับได้เพียงแต่ว่าอย่าแต่อย่าเก็บไว้อย่าถือครอบของต้องฝากคนไว้ฝากให้ลูกศิษย์เนี่ย พระอาจารย์คะรักทรัพเจ้าค่ะอ๋อรักทรัพที่ว่ารับทัพขอเจ้าค่ะรักทรัพก็บาปทั้งนั้นแหละรักของใครก็บาปทั้งนั้นน่ะคำถามจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วกราบพระอาจารย์ค่ะฟังธรรมวันนี้เข้าใจว่าถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็คือการฝันตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นคําถามข้อที่หนึ่งเจ้าค่ะการตื่นจากโลกสมมุติ คือเห็นอริยสัจสี่ไหมคะก็นั่นแหละพระพุทธเจ้ามีสมญามว่าสมนามว่าผู้ตื่นผู้รู้รู้ว่าชีวิตนี้เป็นเหมือนความฝันหยุดไขว้คว้าหาสิ่งต่างๆแล้วก็จะได้เหมือนคนที่หยุดฝันหยุดทําทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งบุญก็ไม่ทำนะพระพุทธเจ้าภาวนานิทนละได้ทั้งบุญละได้ทั้งบาปแต่ถ้าท่านทํา่านก็ไม่ได้ทําด้วยความอยากทำ ทำเพราะความเมตตาสงสารอันนี้ไม่เป็นอารมณ์ไม่เป็นหรือว่าเป็นเหมือนกับเป็นของเล่นก็ทําไปอย่างนั้นเองแต่เห็นว่าถึงแม้จะเป็นของเล่นมันก็เป็นของเล่นที่มีประโยชน์กับคนที่ยังฝันอยู่ก็ให้เขาฝันดีดียวกับให้เขาฝันร้ายก็เลย ไ, ไม่ทําบาปทําดีแต่ท่านไม่ได้ทําเพราะท่านต้องการผลจากการทําบุญหรือทาบาปเพราะรู้ว่ามันก็เป็นผลชั่วคราวเหมือนกับเป็นความฝันนั่นเองท่านจึงไม่ทําทั้งบุญทั้งบา ท่านจึงไม่กลับมาเกิดท่านเป็นผู้ตื่นแล้วเติรนจากความฝันเนี่ยพวกเรายังหลับกันอยู่ยังหลงอยู่ยังอยู่กับความฝันอยู่เนี่ยตอนนี้เรากำลังฝันกันอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาดูวันนี้ด้วยกลายเป็นความฝันไปละกลายเป็นอดีตไปละว่าเมื<ๆ>่อวานนี้เราไปวัดนะเราไป ท, ทํานู่นทํานี่นะมีความสุขกับเรื่องนัน้นเรื่องนีน้มีความทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกับเมื่อคืนนี้ที่เราตื่นขึ้นมาแล้วฝันเออเมื่อคืนนี้เราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นะ ไม่เหมือนเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันนี่คือจิตใจของพวกเราทุกคนจิตใจมันเพียงแต่มาสัมผัสรับรู้เท่านั้นเองมันไม่สามารถที่จะเอาอะไรติดตัวไปกับมันได้แล้วมันก็ฝันจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นฝันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดฝันก็ถึงจะตื่นขึ้นมาออพระพุทธเจ้าท่านหยุดฝันหยุดการกระทําทั้งปวงหยุดการกระทําตามความอยากทั้งปวงก็ตื่นขึ้นมา คำหึเรียกพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นนั่นเองพวกเราไม่ใช่พุทโธพวกเราเป็นปู้ทุชนมันก็เลยเป็นพวกที่ยังมืดบอดอยู่ยังพวกที่ยังอยู่กับความฝันอยู่คําถามข้อที่สองเจ้าค่ะการตื่นนี้ความหมายเดียวกับผู้รู้ผู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไหมคะก็คงตอบ <laughs> ใช่ไหมคําถามข้อที่สามเจ้าค่ะ ที่เรียกว่าหลงสมมุติคือการที่เราคิดว่าสมมุติทุกอย่างที่เกิดตลอดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นความจริงหรือเปล่าคะนั่นแหละก็หลงกับความฝันไงเี่ยเรากำลองฝันอยู่คิดว่าเป็นจริงเป็นจังกันหาเงินหาทองกันแทบเป็นแทบตายฆ่าฟันกันทําสงครามกันแล้วเป็นไงพอตายไปก็เหมือนพอเหมือนก็ตื่นขึ้นมาใหม่พอตายจากโลกนี้ไปก็มองกลับมาโอ้ชาติก่อนเราทําอย่างงู้นทํานี้ ถ้าเราลเลิกชาติได้แต่เราลเลิกชาติไม่ได้เราก็เลยยิ่งฝันต่อไปคำถามจากคุณสุดาพรค่ะกลาบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะผู้คิดผู้สั่งแตกต่างอย่างไรกับสังขารเจ้าคะสังขารถ้าเป็นความหมายทางนามธรรมาก็เป็นตัวเดียวกันสังขารความคิดปรุงแต่งคือผู้รู้ผู้คิดเองเรียกว่าสังขาร แต่เราใช้สังขารอยู่สองความหมายนอกจากสังขารความคิดปรุงแต่งเราก็เรียกล่างกายของเราว่าเป็นสังขารร่างกายมันมีสองความหมายของสังขารแต่สังขารในนามขันในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้เป็นความคิดปรุงแต่งที่เป็นตัวที่ใจใช้ในการกระทำอะไรต่างๆต้องใช้สังขารความคิดปรุงแต่งเป็นผู้ผู้ทา พอคิดแป๊บก็สั่งอยากกินพิซซ่าก็สั่งให้ร่างกายไปหยิบพิซซ่ามาร่างกายมันขี้เกียจไปเองมันก็กดมือถือสั่งให้เขามาส่งให้แต่ใ น, นที่สุดมันก็จะได้กินพิซซ่าแต่คนที่กินไม่ใช่ใจนะคนสั่งไม่ได้กินใช่ไหมใครเป็นคนกินร่างกายสบายร่างกายอยู่เฉยๆก็ได้กินอยู่เรื่อยๆแต่ใจนี่ อยากกินแต่ไม่ได้กินเพีงเยงแต่รู้ว่าได้ร่างกายได้กินแล้วก็ดีใจไปกับร่างกายอ้อรู้สึกว่ามันอิ่มท้องขึ้นมาแค่นี้แต่ร่างกายบางทีมันก็บ่นนะแบบพี่จะเป็นตมแล้วเนี <c oughs> ่เดี๋ยวโรคภัยก็มาโดนที่ร่างกายเลยคำถามจากคุณวิโรธคะ่ะเรียนถามท่านอาจารย์ทำอย่างไรถึงอยากนั่งสมาธิทุกวันนี้ไม่อยากนั่งเลยครับ ก็ต้องฝึกพุโทโธก่อนะถ้าไม่มีพุโทโธนี่ใจมันจะหิวจะอยากทําอย่างอื่นอยากจะเที่ยวอยากจะดูหนังฟังเพลงอะไรไปเรื่อยๆอยงั้นต้องลองมาหัดหัดพุโทโธก่อนหัดสวดมนต์ไหว้พระก่อนเพื่อให้จิตใจมีสติเพื่อที่จะได้จิตใจจะนั่งเฉยๆได้ตอนนี้ถ้าไม่มีสติไม่มีพุโทโธนี้มันอยากจะเที่ยวอยากจะเล่นอยากจะดูอยากจะฟังเพียงอย่างเดียว ปอมานั่งเฉยๆมันจะรู้สึกเกิอดอัดรับคานใจขึ้นมาต่อไปคำถามจากอินบอกครับกล่าวนมพสกงฆอาจารย์พระอาจารย์ผมมีเรื่องอยากสอบถามครับขณะนั่งสมาธิมักเกิดอาการบูบแบบสบะบังงกไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างแต่ไม่ได้ง่วงและรู้ตัวตลอดครับควรทำยังไงต่อครับกจะลุกขึ้นมาเดินแทนเพราะว่าสติเราน้อย สติไม่มีกําลังพอที่จะควบคุมจุดให้นั่งเฉยๆตรงๆได้ต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อนเดินมาสักพักให้มันมีกําลังมากขึ้นแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่ถ้านั่งแล้วยังเป็นอยู่ก็เดินต่อไปอย่าเพิ่งนั่งนั่งแล้วถ้าสับประงงแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรคําถามจากทาง facebook ค่ะกาบเรียนถามท่านอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิ รู้สึกตัวแตกละเอียดไปทั้งตัวรู้สึกมีความสุขมากครับพอมานั่งอีกวันก็ไม่เป็นเหมือนเดิมไม่ทราบอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับเพราะนั่งไม่เหมือนกันไงเมื่อวานนี้เรานั่งแบบไม่คิดถึงผลที่เราได้รับมันก็เลยสงบแต่พอวันนี้เรามานั่งเราไปนึกถึงผลที่เราได้เมื่อวานนี้มันเลยไม่สงบเอานเราอย่าไปนึกถึงผลที่เราได้อย่าไปอยากให้มันเป็นเหมือนเมื่อวานนี้ ให้เรานั่งเริ่มต้นใหม่เหมือนหุงข้าวหม้อใหม่อย่าไปอยากให้ข้าวหม้อนี้อร่อยเหมือนหม้อที่แล้วเอดีไม่ดีเดี๋ยวแฉะพอพลอยพ อ, พอมัวแต่ไปคิดถึงข้าวเมือ่อวานนี้เลยปล่อยให้ใส่น้ํามากไปหรืออะไรมากไปขึ้นมาไฟมากไปก็แห้งแข็งถ้าน้ํามากไปก็แฉะเราต้องจําว่าเมื่อวานนี้เราใส่น้ําเท่าไหร่แล้วกดเอรากดใช้เวลาเท่าไหร่อย่างนี้ะ ดนั้นเวลาเรานั่งเราให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปอยู่ที่เหตุนั่งอยู่กับเหตุอย่าไปนั่งอยู่กับผลถ้านั่งอยู่กับผลแล้วผลไม่เกิดนั่งคิดว่าเมื่อไหร่มันสงบเหมือนเมื่อวานนี้สักทีแม้อยากจะได้เหมือนเมื่อวานนี้แล้วเกินถ้าคิดอยู่อย่างนี้แล้วไม่มีวันที่สงบต้องลืมมันให้ได้ต้องให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปทคำถามจากคุณทีโกคะ่ะเรียนถามพระอาจารย์ ไม่ทําตามที่พูดจนเป็นนิสัยวิบากกรรมเป็นเช่นไรครับก็จะเป็นคนโตหกโกหกหลอกลวงตลบตะแลงไม่มีเครดิตไม่มีใครจะเชื่อถือทําอะไรพูดอะไรกับใครก็จะไม่มีใครเขาจะเชื่อเหมือนเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมก็ส mm hmm. มัยนี้ก็ไม่สอนนิทานเรื่องนิทานอีศพกันเลยมีไหมไม่มีแล้วใช่ไหมโรงเรียนมีสอนไหมพวกเราเคยเรียนนิทานอีศพปกอ่าเด็กเลี้ยงแกะเคยได้ยินไหม อชอบหลอกคนอื่นให้อยู่ดีดีไม่รู้จะทําอะไรก็แกล้งร้องว่าโอ้ยมีโจรมามีโจรมามาจะมาขโมยแกะไปพอชาบ้านได้ยินก็สงสารรีบมาช่วยพอมาเห็นก็หัวลอกเก๊ก ค, ครผมไม่มีอะไรหรอกผมอยากจะหลอก<ม>พวกท่านเล่นเล่นเท่า น, นั้นเองหรือว่าจะมากันหรือเปล่านี่พอขา่าวขาต่อไปโจรมาจรงิงแล้วเลยทีนี้มาร้องโจรมาครับโจรมาครับช่วยด้วยครับไม่มีใครมาเลย เราเสียเครดิตหมดเครดิตอ่าคำถามสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายค่ะจากคุณนัทกิจก้าวกระผมอยากถามว่าเวลาทำงานก้าว <c oughs> กระผมควรบริกรรมพุทธโทเป็นหลกักหรือใช้ความคิดเป็นหลักในการทำงานดีครับแล้วจึงพุทธโทเพื่อพักใจหลังใช้ความคิดมามากๆหรือว่าก้าวกระผมไม่ต้องบริกรรมเลยครับ เพียงแต่มีสติอยู่กับงานอย่างตั้งใจอย่างตั้งใจรู้ตัวถึงเวลาต้องใช้ความคิดก็ค่อยก็กค่อยออกใช้ความคิดเฉพาะตอนที่จำเป็นครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำเกล้ากระผมด้วยครับถ้าทำอย่างที่พูดได้ก็ไม่ต้องใช้พุทโธ ถ, ถ้ามีสติอยู่กับงานคิดอยู่กับเรื่องงานคิดเท่าที่จำเป็นก็ไม่ต้องพุทโธแต่ถ้าะเลถลยัยไปคิดเรื่องอื่นเวลาที่ทางาน กำลังทำงานอยู่คิดว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีไปซื้อของที่ไหนดีอันนี้ก็อาจจะต้องใช้พุทโธดึงกลับมาถ้าดึงกลับมาด้วยสติไม่ไม่พอ ม, มันไม่ยอมกลับก็ต้องใช้พุทโธพุทโธดึงกลับมาให้ดึงให้กลับมาอยู่กับงานหรือให้มาคิดกับงานให้ได้เอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัต